ว่าพวกเขาศึกษาะไตยปิฎกกันนะเขาบอกงั้นนะฮะเขาบอกว่าเออถ้าไมศึกพวกที่ไม่ศึกษาปไตยปิฎกพูดกันไม่รู้เรื่องระหว่างกันนะฮะแต่เขาคงศึกษากันจริงจังเห็นว่าท่าอาจารย์บอกว่าเวลาพูดอะไรเขาเขารับรับรูต้ติดตามได้ทันน่านะฮะฟังดูแล้วก็น่าน่าอนุโมทนานะ ย่ง <IN> คุณดูลัยก็บอกว่าถ้านเขาไม่ศึกษาพระไตรปิฎกโดยตรงเขาก็คงไม่รู้ก็มาขอโทษขอโพยผมใหญ่แต่าเขาเคยเคยเข้าใจผมผิดคิดอะไรไม่ดีกับผมก็มาขอโทษกันใหญ่เลยโอ้เยอะครับเยอะเยอะครับแล้วก็ก็เมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่เราก็เกิดเกิดปิติคือนะ เพราะว่าโอ้โหไอผลงานในการเผยแพร่กว่าจะออกดอกออกผลนี่มันใช่ความอดทนใช้เวลานานา น, นะแต่พอมันออกแล้วก็มีความสุขดีเหมือนกันอืมก็ดีใจนะเพระว่าเออคนเคยรู้จักกันมาตั้งนานแล้วนะแล้วก็กลับมามามาเห็นด้วยอย่างนี้นะซึ่งแต่ก่อนนี่ก็คัดค้านเป็นการใหญ่คัดค้านเรากลุ่ม <c oughs> ประท้วงทั้งหลาย <c oughs> ประท้วงผมมาทั้งหลายเลยเนี่ย ที่ในปานเนี่ยโดยมีออท่านอาจารย์สันติเป็นหัวหน้านี่แหละเดี๋ยวนี้เรียบร้อยเข้าใจกันดีเจ๋วและะ้วะก็จริงๆเขาก็ความจริงเขาไม่ได้เป็นเพราะเรานะเพียงแต่ว่าเขาก็ไปค้นคว้าเองเขาศึกษาพระไตรปิฎกเองนะแล้วเขาก็ไปเจออะไรที่มันอะไรมันไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่สอดคล้องกับพระธรรมคัมภีร์เขาทนไม่ได้เหมือนกนเถอะ <S <S แล้วก็พักพวก พักพวกลูกศิษย์ท่านก็ก็เป็นคนสนใจศึกษาธรรมะจริงจังพอสมควรทีเดียวอย่างคุณอุไรนี่ก็บอกว่าแกอุทิศเวลาให้เลยนะเนี่ยในการศึกษาประไตรปิฎกเวลานี้การธรรมากินแกหยุดหมดแล้วแกบอกสามีแกบอกเออหยุดได้แล้วตอนนี้นะจะทําอะไรก็ทําแกก็ศึกษากันจริงจังแล้วมีเด็กสาวๆคนนู้นหน้าตาดีแล้วแต่มีความรู้เยอะนะฮะมีผมไม่รู้จักชื่อนะแต่เข้าคงรู้จักผม ครับก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายได้อัุโมทนาด้วยนะครับเพราะว่าพระอาจารย์สมบัตินะ่ะครับ <c oughs> ขอบคุณครับคือท่านพระอาจารย์สมบัตินี่ครับที่นูุนน่ะนานๆไปทีงนะอคือเดือนหนึ่งก็ไปสักสองครั้งแล้วก็ไปครั้งละไม่เท่าไหร่นะแต่ที่นี่เราเรียนกันทุกวันนะฮะก็เพราะนั้นก็ไม่ไม่ไม่จเป็นก็อยากขาดนะครับ ก็มีหลายท่านทีเดียวเราไม่รู้จักเลยเนี่ยนะแต่เขาติดตามสถานีวิทยุที่กรุงเทพฟังเนี่ยอันนี้ก็เป็นประโยชน์จากสถานีเนี่ยก็ข อ, ขอให้คุณลุงได้ชื่นแบบชื่นใจด้วยนะว่ามีหลายคนทีเดียวนะที่เขาไม่ไม่รู้จักเรามาก่อนเลยแล้วก็มาเขาก็าาาอยากจะมาฟังด้วยนะแล้วเขาก็มีความเห็นมีความทราบซึ้งเหมือนกันอะนะนะมีความทราบซึ้งติดตามรับฟังกันกันมั่นคงดีนะครับอันนี้ก็ เป็นเรื่องเป็นธรรมมาพูดไปเผยพแพร่มาโมวานนี้หายเหนื่อยเออยางไงอันเตือนอีกนิดนึงนะใครได้รับหนังสือไปแล้วยังอ่านไม่จบก็รีบไปอ่านนะเพราะว่าที่กรุงเทพพอให้เข้าไปเขาก็ไม่พออ่านเขาก็หมายหยิบยืมแยกกันอ่านนะเดี๋ยวนี้เริ่มหยิบมาอ่านละเออแล้วก็อวัน อ, อนาคตนี้นะฮะเขาอาจจะยกกันมาที่เชียงใหม่นี่นะฮะจะมาเยี่ยมพวกเรานะคณะนี้เป็นเคยบอกไว้คงจะเข้ามาเยี่ยมเราที่นี่ไม่นานนะ น, นะไปปลายกุมภาเนี่ยนะอาจารย์สันติจะมาคงจะตามอาจารย์กันมาด้วยนะเราก็คงจะได้มีโอกาสสนทนาธรรมกันนะกับกลุ่มคนกรุงเทพบ้างนะก็ดีใจอย่างคือว่าเอา่อ เราเรามีเรามีเรามีพระคำภีเนี่ยนะเป็นที่ยึดเป็นคำภีเดียวกันอะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ค่อยห่วงอะเรื่องอื่นอะถ้าคนศึกษาพระไตรปิฎกแล้วไม่ค่อยห่วงนะเขาจะเห็นเองเขาจะเข้าใจเองว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรสอดคล้องอย่างน้อยที่สุดถ้าคนอ่านไม่ค่อยเข้าใจก็นานๆไปก็กค็ค่อยรู้เองนะ แล้วแล้วโดยเฉพาะถ้าหากว่าพวกที่เข้าใจแล้วคอยคอยส่งเสริมบ้างนะคอยคอยอธิบายบ้างคอยชักชวนบ้างนะบางทีคนที่เข้ามานี่ก็อาศัยการชักชวนเหมือนกันบางทียังไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่ายังไม่ค่อยเข้าใจอะไรแต่ก็เห็นว่าเออคนส่วนใหญ่เขานะคนที่เขามีปัญญาเขาอ่านเข้าใจผู้หลักผู้ใหญ่ เ, ออเข้ามาหลายคนก็ออามาบ้างอะไรเงี้ยมันเป็นพวกอ่าอ่าสัสางขาลิก น, นนะมันก็มีนะ ครับก็ก็มีเรื่องรายงานเพียงเท่านี้ครับ เคยมีผู้กล่าวว่าแหมพระไตรพิดกนี่อ่านยากยากคําพูดนี่นะของมาเนี่ยแปลโดยโดยความคิดเองอ่ะนะแปลว่าการฟังพระพุทธเจ้าเทศเนี่ยมันยากเหลือเกินอ่ะนะทีนี้ถามว่ายากแบบเนี้ยควรหรือไม่ควรสมมติถ้าถ้าถ้าพระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่นะแล้วพระองค์พูดออกมาเป็นแบบเนี้ยแล้วถ้าหากบอกแหมยากเหลือเกินเนี่ยนะก็ คือคื อ, ค, อควรจะคิดแบบไหนว่าแหมพระพุทธเจ้าพูดนี่มันทําไมมันเข้าใจยากเหลือเกินเนี่ยนะแล้วก็บางคนพอใช้คําว่ายากโดยมากพูดเพื่อให้เกิดความเพียนหรือพูดให้ท้อพูดเพื่อให้ท้อใช่ไหมแสดงว่านะสมมตินะถ้าใครบอกว่าอย่าไปอ่านเลยพระไตรปิฎกมันเข้าใจยากแปลเป็นไท ย, ไทยว่าคุณอย่าไปหาเลยพระพุทธเจ้าท่านพูดอะไรเราก็ไม่เห็นรู้เรื่องเข้าใจก็ายากยากเนี่ย น, นะเพราะฉะนั้นไม่ดีเลย เพราะงะั้นขอมาเลยคิดว่าจะยากหรือง่ายขอให้อ่านเถอะมันเหมือนกับการได้เข้าเฝ้านะอะไรจะดีเท่ากับการรับฟังพระธรรมที่ในพระตายปิฎกท่าว่าไปแล้วถ้าเป็นทองคำก็บริสุทธิ์เก้9เดเนี่ยนะถ้าเทียบกับอย่างอื่นนะ บริสุทิ์ขนาดนั้นก็ควรจะใช้ของดีของบริสุทธิ์ขนาดนั้นไปเลยไม่ต้องแหมไปใช้ทองที่มันละลายเหลือสักส0เซนี่ยนะก็ชุบอะไรอย่างอื่นจนะให้มันดูสีเหมือนๆ ห, หน่อยมันก็น่านั่นน่าเห็นใจมากนนะมันก็อยากให้ให้ได้ใกล้ชิดคำสอนที่สุดเท่าที่จะทำได้เจอข้อความล้ายแห่งมากที่ทั้งโบราณอาจารย์ทั้งในสมัยอัตกถาสมัยดีกา สมัยอนุดีกาหรือสมัยอาจารย์ทั้งหลายที่เรียบเรียงปรกรณ์ชั้นล่างๆมาให้ความสําคัญแต่ละธรรมะขันเท่ากับพระพุทธเจ้านหนึ่งองค์เนี่ยให้ความสําคัญเท่ากับพระพุทธเจ้านหนึ่งองค์เลยเมื่อแต่ละธรรมขันให้ความสําคัญเท่ากับพระพุทธเจ้านหนึ่งองค์เนี่ยเราควรจะมีสับทินรีย์เป็นเบื้องหน้าเนี่ยนะทไมอินทรีห้าไม่ขึ้นต้นด้วยปัญญินทรีย์เลยถ้าตั้งคำถามนะ ไม่ขึ้นต้นด้วยว่าเธอต้องมีปัญญาก่อนนะอ่านแล้วมันต้องเข้าใจให้หมดก่อนไม่ใช่ท่านจะขึ้นด้วยศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันนะนี่ยนะทีนี้เมื่อมีศรัทธาแล้วอินทรีย์ต่อไปนีสนน่สอนเรื่องความเพียรใช่ไหมสอนเรื่องความเพียรเมื่อเรามีศรัทธาเราก็ควรที่จะภาคเพียรพยายามเมื่อมีความเพียรนะ้วก็หมั่นระ ล, ลึกถึงคําสอนอันนั้นไว้เสมออั น, นั้นเป็นสตินะสติที่ระ ล, ลึกถึงพระธรรม ถ้าเป็นพระธรรมคำสอนที่ถูกต้องความสงบระงับก็จะเกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าละลึกบ่อยๆนะจิตจะไม่ฟุ้งถ้าเป็นคำสอนทีนี้ถ้าละลึกถึงคำสอนบ่อยๆเป็นการเจริญสมถะด้วยนะความเข้าใจคำสอนจะพอกพูนมากขึ้นเนี่ยนะกุศลธรรมก็จะค่อยๆเจริญเติบโตอย่างนี้ทีนี้กุศลธรรมที่เติบโตเหล่านี้เนี่ยนะเราก็ตั้งอุปนิสัยเราต้องยอมรับว่า ของเราเนี่ยน้อยอ น, นะคือคืออันนี้ต้องทําไว้ในใจเลยว่าเราเนี่ยสะสมมาน้อยบุญน้อยทีนี้ถ้าใช้คําว่าน้อยไม่ควรที่จะทอ้อควรจะตั้งอัธยาศัยว่าการศึกษาพระธรรมวันนี้ต้องเพื่อความเข้าใจยิ่งยิ่งขึ้นในวันต่อๆไปตั้งอุปนิสัยเอาไว้เลยนียนะตั้งอุปนิสยัย น, นะตั้งอัธยาศัยว่าคอยดูเถอะปีวันนี้ของปีหน้านะฉันจะต้องเข้าใจเรื่องนี้มากกว่าวันนี้เนีย่ยนะก็อาจจะอีกสิปีก็ยังไม่สายใช่ไหม หรือว่าใช่คำว่าสิบปียังไม่สารเนี่ยนะดูแล้วก็ถึงสิบปีนี่ก็มีบุญมากยังกับพูดกันละอ่อนอยังั้นนะนะอีกสิบปีนั่นนะแล้ว ก, ก็กพยายามตั้งใจ น, นะตอนที่ตาไม่เสียหูไม่เสียก็ขวนขวายได้ก็ขวนขวายเทอไม่มีอะไรดีกว่านี้จริงๆเนะในพระาศาสนานี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดคำสอนทั้งหมดเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้า ไตรโลกวินิจฉัยท่านบอกว่าถึงพระพุทธเจ้าจะดับขันปริญิพานท่านทั้งหลายก็อย่าเสียใจไปเลยเพราะว่าพระปริยัตินั่นแหละเป็ น, เ ป, นเป็นพระพุทธเจ้าท่านดันั้นถ้าเราพบปริยัติก็คือเท่ากับพบพระพุทธเจ้าแล้วมานก็ควรที่จะพาดเพียรอุตสาหะปลูกใจรักให้มั่นคงเอาไวเ้เถอะเนี่ยนะ ดูหนังสือพิมพ์เนี่ยอักษรก็ยุกยิบก็ดูมาตั้งนานแล้วนี่ทํา ม, มาอ่านพระไตรปิฎกนะใช้เวลาบ้างเท่านั้นเนี่ยก็ได้ดีไปเยอะนะนะแล้วก็ให้มีฉันท่อุตสาหะแล้วก็ต้องไม่ลืมอย่างหนึง่งว่ากุศลธรรมที่เกิดขึ้นในขณะที่อ่านพระไตรปิฎกนั้นก็สะสมปัญญรีย น, นะปัญญาเราก็ค่อยๆพอกพูนมากขึ้นปัญญาก็นับหนึ่งในมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดนั่นเ่ง โดยในสังยุตตนิสังยุตตนิกายขันธวรรวัตตอนนะหน้าหนึ่งร้อสิบสาอุทานสูตรในพุทธพจน์เดียวกันแต่ละคำพีจะแปลไม่เหมือนกันเนี่ยนะแปลไม่เหมือนกันนะทั้งทั้งที่พุทธพจน์เนี่ยพยัญชนะเดียวกันแต่ถ้าอยู่ในสามคำพีแปลสามอย่าง นะก็ดูพยัญชนะในอุทานสูตรอย่างเช่นในอุทานสูตรว่ากรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทานเนี่ยนะอุทานนี่ก็คือถ้อยคําที่เกิดจากโส ม, มนัติเนี่ยนะโส ม, มนัตแล้วมีปัญญาประกอบเก็บไว้ไม่อยู่ในใจก็พุ่งออกมาพุ่งออกมาแล้วพระองค์ก็พุ่งมาเป็นคําว่าภิกษุน้อมใจไปอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีขันธปัจจกะของเราก็ไม่พึงมี สังขารจกไม่มีการปฏิสนธิก็จกไม่มีแก่เราดังนี้พึงตัดโอรัมภาคยาสังโยตได้พยัญชนะนี้แปลใครเข้าใจบ้างไหนเนียถ้าเราไม่พึงมีขันธปัญจกของเราดูนะลองแปลดูนะให้อัตถะดูนะจุดนอมใจไปอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีขันธปัญจกของเรา ถ้าแปลาตามแนวอัตกรกถาต้องแปลใหม่แปลว่าถ้ากรรมในอดีตไม่ได้มีแล้วซ้ายนะอัตภาพในปัจจุบันก็ไม่พึงมีแกเราน่นะแปลให้เต็ม น, นะเอาใหม่ถ้ากรรมในอดีตของเราเนี่ยไม่พึงมีขันธปัญจกะในปัจจุบันของเราก็ไม่มี แปลง่ายๆว่าถ้ากรรมในอดีตไม่มีนะขันห้าอันนี้จะมีไหมก็ไม่มีถ้ากรรมในปัจจุบันไม่มีการปฏิสนธิต่อไปก็จะไม่มีอันนี้เป็นความหมายก็ให้รู้ว่าแปลสามคำพีก็แปลสามอย่างไงเรื่องเดียวกันถามว่ามีอยู่ที่ไหนบ้างพยัญชนะแบบนี้มีอยู่ในปุริสักติสูตรอังคุตระนิกายอัฏฐกานิบาศสัตตกาพันสัตตกานิบาศ ปุริสักคติสูตรอย่างหนึ่งอีกที่หนึ่งเนี่ยในในมัชฌิมนิการเน่ยอาเนนชาตส ป, ปายาสูตรอยู่ในอาเนนชาตส ป, ปายาสูตรมัชฌิมนิกายพยัญชนะเหมือนกันแต่แปลแตกต่างกันแต่ว่าตาท่าแปลตามแนวอัตถกาถาต้องแปลตามอังคุตที่แปลว่า ถ้ากรรมในอดีตไม่ได้มีแล้วอัตภาพในปัจจุบันก็ไม่พึงมีนะถ้าถ้าไม่มีกรรมในอดีตเลยขันห้าที่นั่งอยู่เนี่ยจะมีไหมก็ไม่มีนะถ้าหากว่ากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมในปัจจุบันนี้ไม่มีหรือไม่ถึงความเป็นกรรมอัตภาพหรือปฏิสนธิในอนาคตก็จะไม่มีนั่นแหะ ผู้ที่น้อมใจไปอย่างนี้เนี่ยนะย่อมตัดโอรัมภาคยะสังโยดได้ mm hmm. คือแปลว่าถ้าคิดแบบนี้บ่อยๆเนี่ยจะตัดกิเลสได้แต่ถ้าข้อความในปุริสักติสูตรอังคุตรนิกายสัตตกานิบาทข้อ52อัเนี่ยนะอาวว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้คือได้ความวางเฉยว่าถ้ากรรมในอดีตไม่ได้มีแล้วายอัตภาพในปัจจุบันก็ไม่พึงมีแกเรา ถ้ากรรมในปัจจุบันไม่มีไซสยอัตภาพในอนาคตจกไม่มีแก่เราขันเบนจะขันที่กําลังเป็นอยู่ที่เป็นมาแล้วเราย่อมละได้เธอย่อมไม่กําหนัดในเบนจขันอันเป็นอดีตไม่คล้องในเบนจขันอันเป็นอนาคตย่อมพิจารณาเห็นบทอันสงบประงับอย่างยิ่งซึ่งมีอยู่ด้วยปัญญาอันชอบน่นนะอันนี้ในอังคตเนะีใช้ข้อความเต็มอันผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ก็จะ บรร ล, ลุเป็นพระอนาคามีผู้ที่ตัดโอรัมภาคยาสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องล่างได้คือพระอนาคามีเนี่ยนะปุริสตรรขติสูต ร, ป, รนะปุริสขติสูตรบุรด์นะนะปุริสบวกขติสูตรเนี่นนย น, นะไปดูในสูตรนั้นก็ได้ทบทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่า ถ้ากรรมในอดีตไม่ได้มีแล้วไซอัตภาพในปัจจุบันก็ไม่พึงมีแก่เราถ้ากรรมในปัจจุบันไม่มีไซอัตภาพในอนาคตจักไม่มีแก่เราเบญจขันธ์ที่กำลังเป็นอยู่ที่เป็นมาแล้วเราย่อมละได้เธอย่อมไม่กําหนัดในเบญจขันธ์อันเป็นอดีตไม่คล้องในเบญจขันธ์อันเป็นอนาคตย่อมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอย่างยิ่งซึ่งมีอยู่ด้วยปัญญาอันชอบ ถ้าพิจารณาได้อย่างนี้ก็ละถ้าบุญน้อยนะบุญน้อยเนี่ยจะล ะ, ะสังโยชน์เบื้องต่ำเป็นพระอนาคามีได้ทบทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะถ้ากรรมในอดีตไม่มีอัตภาพ ในปัจจุบันก็ไม่มีท่ากรรมในปัจจุบันไม่มียั น, นปฏิสนธิในอนาคตก็ไม่มี น, นแล้วก็ขันที่เป็นอดีต น, น่แล้วก็ปัจจุบัน เราย่อมละได้ตัวสำคัญอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเหตุผลที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือให้มองหรือให้พิจารณาว่าอัตภาพในปัจจุบันนี้เกิดจากกรรมในอดีต นะกรรมในปัจจุบันปกติจะต้องให้ปฏิสนธิในอนาคตต่อไปแต่นี้นี้พูดแบบคนที่เห็นวัตตะเป็นอย่างดีแล้วนะปกติเห็นแล้วว่าชีวิตของเราที่เป็นอยู่เนี่ยจากกรรมในอดีตกรรมในปัจจุบันจะทําให้มีผลในอนาคตผู้ที่เห็นอย่างนี้ท่านบอกว่าอาทีนวญานอ่านนะ คือถามว่าที่ใช้คำว่าอาทีนวายานเนี่ยเพราะท่านเห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นเป็นมหาภัยนี่นะท่านมองว่าไอ้ชีวิตที่มันเป็นไปแบบเนี่ยมันมีภัยมากมันมีโทษเหลือเกินซึ่งคำพูดเนีระดับอาทีนวายานถ้าอาทีนวายานมาจากไหนพญายานพญายานมาจากพังคยานพังคยานมาจากอะไร อุทยัเนี่ยนะอุทยัพยายามมาจากสัมมสนเนี่ยนะสัมมสนสมมาสนมาจากปัจจะปัจจะมาจากทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยนะทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยนะแล้วพุทธพจน์มาขึ้นขึ้นลักษณะสันติบทยาณเลยสันตินี่แปลว่าสงบใช่ไหม คือยามที่กล่าวถึงบทอันสงบเลยนะบอกว่าถ้าสิ่งที่มันตรงกันข้ามเนี่ยมันจะดีอย่างยิ่งเลยเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าเห็นภายในในขันเหล่านี้เห็นมากเห็นมากเมื่อเห็นมากท่านน้อมจิตไปพิจารณาแบบนี้มากๆจนละขันที่เป็นอดีตเนี่ยนะกับละขันที่เป็นปัจจุบันไม่ตั้งความปรารถนาขันที่เป็นอนาคตเนี่ยนะก็ประละก็ย่อมละได้ ถ้าล ะ, ะละความติดความข้องเหล่านี้ได้ก็ละอะไรได้ละความกําหนัดนั่นเองเนี่ยนะก็จะละความกําหนัดได้ น, นะคือไม่ข้องไม่กําหนัดในขันที่เป็นอดีตไม่กําหนัดขันที่เป็นอนาคตไม่กําหนัดขันที่เป็นปัจจุบันผลอันนั้นเนี่ยถ้าตามสูตรนี้นะบอกว่าอนาคามี ไม่ต้องกลับมาสู่โลกนี้อีกอนะีเรียกว่าพวกนี้อุปนิสัยไม่มีกำลังพอที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ว่าให้รู้นะว่าพุทธพจน์เนี่ยอยู่ในระดับสันติบทยานสันติบทยานนี่มันจะอยู่ตรงกันข้ามกับอาทีนวายานเนี่ยนะ <c oughs> ตอนก็เห็น พุทธพจน์อันนี้แล้วก็คงเข้าใจทิศทางของการปฏิบัติมากขึ้นนะส่วนที่สำคัญนะให้มอ่อย้อนทบทวนอีกครั้งหนึ่ง น, นะอยากจะเน้นมากๆเลยคืออัตภาพปัจจุบันเกิดจากกรรมในอดีตคำว่ากรรมคืออะไรกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมซึ่งหมายถึงเจตนาเนี่ยนะหมายถึงตัวเจตนานะ กรรมนาดีดหมายถึงเจตนาที่เป็นไปทางกายวาจาใจากรรมเหล่านั้นให้ผลมาเกิดเป็นอัตภาพในปัจจุบันอาศัยอัตภาพในปัจจุบันก็ทำกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมเพื่อปฏิสนธิต่อไปเนี่ยนะอันนี้คือวะัตะจะเป็นลักษณะนี้เนี่ยนะทีนี้ตัวที่เชื่อมให้กรรมและมันให้ผลเป็นปฏิสนธิเนี่ยคืออะไร กรรมอันนั้นก็คือตัญหาคือฉันทราคะหรือความกำหนัดในขันที่เป็นอดีตความกำหนัดในขันที่เป็นอนาคตความติดข้องในขันที่เป็นปัจจุบันนี้ผู้ที่มีความกำหนัดติดข้องในขันเหล่านี้ก็เชื่อมจุติกับปฏิสนธิเชื่อมพบจากพบเชื่อมคติสู่คติก็นำเกิดใหม่เนี่ยนะเกิดบ่อยๆทีนี้เมื่อเห็นว่าไอาการเกิดบ่อยๆเนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นโทษอย่างมาก มากยังไงถ้าไม่เกิดในนรกทุกในนรกจะมีไหมถ้าไม่เกิดในเปรตนะทุกขของเปรตจะมีไหมถ้าไม่เกิดเป็นเดรัจฉานทุกของเดรัจฉานจะมีไหมความทุกในมวลมนุษยชาติที่รู้รกันนี่นะถ้าเขาไม่เกิดเขาจะทุกแบบนั้นไหมเนี่นะถึงไปเป็นเทวดาก็เวียนกลับมาสู่ความเป็นเช่นนี้อีกนะั่นแหละก็มาเกิดมาทุกอยู่อย่างนั้นอีกนะเพราะฉะนั้นเห็นพวกนี้มันเป็นภัยอย่างแรงกล้าและสิ่งที่ตรงกันข้ามนี้มัน ปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะปลอดภัยอย่างยิ่งก็รู้ว่าโอ้แอบตัวที่เชื่อมเอาไว้นั้นคือฉันทราคะนั้นผู้ที่ไข้ครวญแบบนี้แล้วก็กําจัดฉันทราคะได้อย่างนี้เป็นพระนาคามีเนี่ยนะก็ยกตัวอย่างอุปนิสัยที่ค่อนข้างอ่อนกําลังแต่ผู้ที่มีกําลังจริงๆก็จะบรรลุเป็นพระอราหารันตะ์เนี่ยนะแต่ผู้ที่อ่อนกําลังเนี่ยนะก็ยังติดในสมถะและวิปัสสนาอยู่พระนาคามีเนี่ยท่านยังติดในสมถะและวิปัสสนาอยู่ ในข้อ่้อ1เกกล่าวต่อไปว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอุทานอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุน้อมใจไปอย่างนี้ว่ า, านะแปลตามที่อื่นเลยนะตรงนี้เข้าใจยากถ้ากรรมในอดีตไม่ได้มีแล้วอัตภาพในปัจจุบันก็ไม่พึงมีแก่เราถ้ากรรมในปัจจุบันไม่พึงมีแล้วอัตภาพในอนาคตก็จะไม่มีแกเราเนี่ยนะ เพิ่งตัดโอรัมภาคยะสังโยชดได้อย่างไรอนนะี้อคิดอย่างนี้แล้วมันละกิเลสได้ยังไงเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้เอาแบบผู้พวกปุตุชนทั่วๆไปก่อนนะคนที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมหรือชีวิตของเราที่ผ่านมานะที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมอะ่ะเป็นลักษณะนี้เห็นรูปโดยความเป็น อัตตาบ้างเห็นอัตตามีรูปบ้างรูปในอัตตาอัตตาในรูปเห็นเวทนาเป็นอัตตาอัตตามีเวทนาอัตตาอยู่ในเวทนาเวทนาอยู่ในอัตตาเนี่ยนะก็สรุปแล้วก็คือสกายตทิยี่สิบเนี่ยนะก็คือมีความเข้าใจผิดในอุปาทานขันห้าเนี่นะเขาย่อมไม่ทราบชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าไม่เป็นของไม่เที่ยง จริงๆแล้วขันห้าไม่เที่ยงใช่ไหมแต่ไม่รู้ชัดด้วยปัญญาตามความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงไม่ทราบชัดรูปเวทนาสัญญาสัง ข, งขารวิญญาณอันเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงว่าเป็นทุกข์ไม่ทราบชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามความเป็นจริงว่าเป็น อ, อนัตตาคือจริงๆขันห้ามันเป็น อ, อนัตตาแต่ไม่ไปทราบชัดว่ามันเป็นอนัตตาไม่ทราบชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันปัจจัยปรุงแต่ง ตามความเป็นจริงว่าอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่าแม้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะจักมีคือคือไม่รู้ว่าขันห้ามันจักมีได้ยังไงกิเลสมันนำเกิดได้ยังไงเนี่ยนะก็ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะอันนี้คือชีวิตตามเป็นจริงของปุถุชนใช่ไหคือยึดขันห้าด้วยอานาจของส ก, กายทิฏฐิ เมื่อยึดแบบนั้นแล้วปุถุชนทั่วไปไม่น้อมไปไข้ครวนโดยความเป็นขันห้าเหล่านั้นว่าไม่เที่ยงนะไม่น้อมไปไข้ครวนว่าขันห้าเป็นทุกข์ไม่น้อมไปไข้ครวนว่าขันห้าเป็นอนาตาไม่น้อมไปไข้ครวนว่าขันห้านี้อันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นมเมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้กิเลสก็านาเกิดใช่ไหมไออวิชาเป็นต้นเนี่ยนะก็สร้างขันอันต่อไป อวิชาตันหากรรมก็สร้างขันอันต่อไปก็เพราะไม่รู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้ส่วนพระอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วผู้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมะของพระอริยได้รับการแนะนํนาดีในอริยธรรมเห็นสัตว์บรุษฉลาดในธรรมะของสัตว์บรุษได้รับแนะนํนาดีในสัพปริสธรรมก็ไม่เห็นรูปโดยความเป็นอัตตาก็เห็นยังไงก็เห็นว่ารูปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเรานั่นแหละนั่นแหละก็ ไม่ได้มีไปมีทิฐิในขันห้าเลยนไนะคนที่ไม่มีทิฐิในขันห้าคือคนชนิดไหนก็คือพระอริยะที่เจริญตามคําสอนปฏิบัติตามคําสอนนั่นแหละเธอย่อมทราบชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงย่อมทราบชัดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงว่าเป็นทุกข์ย่อมทราบชัด รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นอนัตตาตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาย่อมทราบชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันปัจจัยปรุงแต่งตามความเป็นจริงว่าอันปัจจัยปรุงแต่งย่อมทราบชัดตามความเป็นจริงว่าแม้รูปแม้เวทนาแม่สัญญาแม่สังขารแม่วิญญาณเนี่ยจักมีนะนะจักมีคือมันได้ปัจจัยแล้วมันก็เกิดนั่นแหละย่อมทราบชัดตามความเป็นจริงเช่นนั้นเพราะเห็นความเป็นต่างๆแห่งรูป รูปเนี่ยมันเป็นต่างๆยังไงบ้างไอความเป็นต่างๆของมันคือมันไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นแหละคือความเป็นต่างๆของรูปอะ่ะแห่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณดูก่อนพิสุท้ามเมื่อพิกสุน้อมใจไปอย่างนี้แลว่าถ้ากรรมในอดีตไม่พึงมีขันธปัญจกะในปัจจุบันของเราก็ไม่พึงมี ถ้ากรรมในปัจจุบันไม่มีปฏิสนธิต่อไปก็จะไม่มีก็เพึงตัดโอรัมภากิยาสังโยชดได้ด้วยอาการอย่างนี้แหลเนี่ยนะคือถ้าไขครวนแบบนี้เนี่ยละสังโยดได้สังโยดเนี่ยโดยศั์แปลว่าอะไรเครื่องเชือกนะนีเชือกที่มันมันมัดเอาไว้อะมันมัดมัดมัดอะไรมัดเอาไว้ในขันคือมันมัดจากขันอันหนึ่งให้ไปมีขันอีกอันหนึ่งมัดจากขันอีกอันหนึ่งให้ สร้างขันอันใหม่ขึ้นเนี่ยนะมันจะมัดกันประสานกันเกาะเกี่ยวกันไว้อย่างนี้แต่ถ้าไปน้อมน้อมไปพิจารณาตามความเป็นจริงว่าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันปัจจัยปรุงแต่งนะผู้ที่ยังตัดเยื่อใยในฉันธราคะไม่ได้ก็จะเกิดขึ้นมันก็น้อมใจเพื่อเพื่อละหรือเพื่อถ่ายถอนอุปาทานหรือสังโยชน์ที่ยึดถือในในขันห้าถ้าน้อมจิตแบบนี้มากก็เป็น ก็เป็นพระอนาคามีนะตัดโอรัมภาคยาสังโยชดได้โอออรัมภาคยาสังโยดแปลว่าสังโยชดเบื้องต่ำซึ่งตรงกันข้ามกับอุทธามภาคยาสังโยชดที่เรียกว่าสังโยช์เบื้องสูง